กาชนะแรงกาขนาดไหนแต่ไไฟมันก็ไม่ถึงมีการปฏิบัติกระทมนองเดียวกันลงมือปฏิบัติคิดส่วนอื่นคิดได้สอนคนอื่นสอนเป็นแต่จะสอนตนเองสอนไม่เป็นเหมือนเป็นอย่างนั้น มันเป็นคนโง่หรือคนฉลับพระพุทธเจ้าสอนตัวของท่านดีวิเศษแล้วจึงสอนคนอื่นมีครอบราวท่านเลยสนใจจะสอนคนอื่นไม่นสนใจที่จะสอนตัวเองทำตัวของตัวให้เป็นตัวอย่างให้ดีให้สบาย สอนแต่ปากหากไา ม, ะะม่ทำให้เขาเห็นมันคุณค่าสาระมีน้อยทำให้เขาเห็นสอนทั้งปากสอนทั้งกายทั้งใจนั่นแหละมีคุณค่ามากคนที่เห็นที่ได้ยินจึงจะเต็มใจก่อเพืปฏิบัติใครเราเห็นความสุขความสบายไม่อยากได้ คนมีกิเลสทั่วไปยากได้ขอให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองให้สุขให้สบายลูกเล็กเด็กแดงเขาจะสนใจเองพ่อนแหนของเราท่านนั่งรับหูรับตาอยู่สบายเวยลาท่านทํางานอะไรท่านก็เอาใจใส่ทําจริงทําจริงจิตของท่านไม่หวันไหวหอกแข็ทงท่านบ้งครับ กายบังคับจิตของฉันได้เขาเชื่อเขาเหลื่อมใสถึงไม่บวชเป็นพระเป็นเนนในศาสนานิดามันดาทีประพฤติปฏิบัติอัธรรมทำดีเป็นตัวอย่างของเขาเขาก่อเคารพ บ, บูชาเป็นเจดีของหลูกของหลาน กาชนะต้องการเพราะเป็นเหลื่อมของดีเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากจใจเขาเคารพอยากจะให้เขาเหลื่อมไซส์อยากจะให้เ้าดีแต่เราไม่ดีเราไม่เคารพตัวของเราเองในเหลื่อมไซส์ในตัวของเราเพราะเราไม่ทำเพราะเราไม่ไปฏิบัต เราเรียมไสในตัวของเราเรายินดีในตัวของเราเราส ง, งบในตัวของเราไม่ต้องไปร้องขอแต่คนนั้นมาเคารพมาเหตุร้องขอให้คนนั้นมายินดีเลียมใสมั น, ย, นยินดีเหลียมใสไปได้เหมือนดอกไม้ถึงป่าลึกขนาดไหนก็ตามมาแรงผู่มาแรงขืนจะต้องไปเห็น ว่าสัตว์เหล่านั้นต้องการเจียสอนดอกไม้ครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีวิเศษจะอยู่ลึกขนาดไหนคนที่สนใจในธรรมรู้เห็นเพราะคนต้องการทำสนใจทำมันมีอยู่อย่าไปคิดกลัวความอดอยากอยากจน หากประพฤปฏิบัติกายใจคงตนเป็นธรรมธรรมจะรักษาไม่เห็นคนคนนั้นตกไปสู่ที่ชั่วไม่เห้อดตายูดถึงเหลืองภายนอกไม่เห้ทุกข์ตายูดถึงเหลืองภายในพราใจจะสบายใจจะเยือกเย็น ใจจะมีความสุขปราเถนะไหมความสุขของใจถ้าปราเถนะลงมือประพฤติปฏิบัติทำทำจะรักษาไม่ว่าอยู่ปา่าอยู่วัดอยู่บ้านหากมีทำไปจำตัวทำรักษาไปมาสถานที่ใดมีความสุขเยือกเย็นภายใน รักษาธรรมหนึ่งพืชธรรมจะให้ทรรรักษาเป็นไปไม่ได้พยายามสอนใจฝึกอบรมตัวการปฏิบัติธรรมการฝึกธรรมการพิจนารณาธรรมเป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกคนจะฝึกฝนอบรม พอพึ่ง ป, ปฏิบัติวันคืนเดือนปีหมดไปหมดไปขายังทรงอยู่ก็ได้ชื่อว่าขาดทุนทำให้ดีขึ้นเพราะเหตุใดเพราะวันคืนมันหมดไปอะไรไม่เสียหายไปจะไปดีขึ้นได้ชื่อว่าขาดทุนถ้าหาวันคืนหมดไป ความดีวิเศษการไล่จีเลตัญหามันดีขึ้นวิเศษขึ้นเข้าใจเห็นจิงในตัวในถาดทุนวันคืนหมดไปความดีก็ด่านาทดแทนวิตของพวกเราไม่ก่รังอย่า ง, งยืนทุกคนจะไปสู่จุดคือความตาย เครื่องหมายที่บ่งบอกวัดอายุอย่าไปดูนอ้อยยังอ่อนาตายังสดสวยโภัยยังไม่เบียดเบียนหรือยังเด็กยังเล็กนันไม่แน่นอนไม่ใช่เครื่องหมายของอายุให้ดูลมหายใจออกไม่เข่ามันก่าตายเข่าไม่ออกมันก่าตายยัง แค่นี้อ่ะชีวิตของมนุษย์เราไม่จีรังอย่างยืนอะไรจิดจมูกเอาไว้ไม่ถึงหาหนาที่เหียววุดคือตายกันไม่ว่าพระว่าเนียนว่ายิ้งว่าช้ทํามตายมันอยู่แค่ตายจมูกแถวนั้นออกไม่เขาเข้าไม่ออกมันก็ตายเมื่อเป็นอย่างนั้นจะหลงไหลเพลิดเพลินไปทำไม จะเอาเมาื่อไรการประพฤติปฏิบัติทมสอนใจของตัวฝึกอบรมด้วยสติปัญญาชนาิดพิจาณาหายใจสงบการสอนทาทาเลยสอนไปที่อื่นสอนลงลในกายในใจฉะนั้นทุกท่านคือมีกายมี ใ, น ใ, น ใ, นใจ ควรนำไปที่นิพพิจรารณาการอธิบายธรรมก็เห็นว่าพอสมควรเียบอยเียบอยพิจรารณาธรรมอยู่49วันเกี่ยการนั่งการเดินการยืนไม่มีการหลับการนอนการประกอบการฉันอาศัยรียมุตติทรรในจิตในใจที่พระพุทธองค์รูเห็น วันตัดจะรู้เป็นเครื่องอยู่เครื่องเสวยไม่มีการทุกข์ลำบากเหน็ดเหนื่อยเหมยหิวพอําอนาจปีติธรรมตีพระพุทธเจ้ า, ารู้พระพุทธเจ้าเข้าใจเดินตรงตรงได้ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งได้ตั้งเจ็วันเจ็คืนยืนได้ตั้งเจ็วันเจ็ดคืนเปลี่ยน กันไปเปลี่ยนกันมาอยู่นั้น49วันถึงตกลงพระไทยที่ปกะบก า, าศศาสนาฮนะผู้จะรับธรรมะเพื่อเป็นพยานหลักฐานก า, ารตัชรู้ของพระ อ, องค์พอดีถึงวันนี้พระ อ, องค์เสด็จจากที่เคยพักผ่อน ในเนียสอนพวกบัรจาวกถีในเส้นทางที่ผ่านไปก็บพบตามคนหนึ่งเหมือนกันแต่ตามคนนั้นเขาเห็นเข้าก็รู้สึกว่าแปดกประหลาดเพราะทันนมีรัทธิมีสีแสงในตัวของท่านลักษณะทุกอย่างของพระพุทธองค์เป็นจง บ, งบอก ทักทูจิตใจของคนหายยินดีเลื่องใสเพราะร่ากายของพระ อ, องค์สวยงามมากเหมือนทองบริุทธิ์รูปร่างทุกอย่างสวยผิดแต่แตกต่างมนุษย์ธรรมดามีลักรรษณะสามสิบสองบริบูวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นผิดกันกับพระพุทธเ จ, จ้ามาก อาจจะพูดถึงเหลืองของกายปูดถึงเหลืองของใจก็ยิ่งไปกันใหญ่คนละมุมโลกพระพุทธเจ้าถึงกายของท่านจะเ่อยสดงดงามท่านคงไปหลงติดข้องในเหลืองของกายยังพิจารณาความแจ่ความตามยเผื่อสอนตัวให้เบือหนายในการเกิดการตายต่อไปโยนใจบริสุทธิ์ปุิดผองหมดกิเลส วันนี้ที่ท่านผ่านไปตามเห็นเขา้าบททักทายปลาใสแบบใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของท่านท่านมวดเฉพาะใครถามพระพุทธเจาพระพุทธเ จ, จา้ากษัตริบอกว่าเราไม่ได้บวชเฉพาะใครไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราเป็นกุศัลสร โดยตัวเองตามไม่เชื่อสันติสัจตัว น, นี้ไปไม่ได้อะไรจากการสนทนาเพราะเขาถือว่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีการศึกษามีครูมีอาจารย์จึงจะรู้จังเข้าใจในอะไรต่างๆนี่ท่านสัตวออกมาบอกว่าท่านไม่มีครูมีอาจารย์ตามไม่เชื่อ แล้วกว่านี้ไปพระองก็ห่หลังเดินเรื่อยไปไปถึงพวกปัญจวัคคีปัญจวัคคีนี้ตอนก่อนพระวุทิเจ้าจะตัดชรุก็เคยอยู่พักพาอาศัยอุปถัมภ์ประทัเพราะเชื่อมัน่นในตำราของพามปดีทศชาคุมานคนนี้้าอยู่คารวา่าจะเป็นพระจักรสพดีร่า จะมีอำนาจเหนือกษัตริย์ขั่วไปจะเป็นใหญ่เป็นโตในโลกาหากออกทรงพนนวดหูนนืออกบวชจะเป็นจอมปะาเป็นศาสด้าเอกในโลกอี่เหมือนกันตามเชื่อมัน่นในตำรับตำลาว่าดูลักษณะของผู้ที่สถาปูมาอย่างนั้นเึียงแตัตัดสินใจออกไปบวชเป็นฤาษีคอยค่าอยู่ในป่า คอยการคอยเวลาแบบที่ท้าตบกุมาณจะบวชเมื่อไรสามคนนี้ก็คือคนพัญญะจึงเป็นสามหนุ่มนี่คติอันเดียวไม่มีคติเป็นสองเหมือนสามทุกคนที่มาทำนายไทยครับเชื่อมั่นในจิตใจของเขาว่าออกบวชแน่นอนไม่ยอมเป็นพระจเจ้าจักรพรรดินีละจึง ตัดสินใจออกไปบวชเป็นฤาษีก่อนจะออกไปบวชชวนลูกของพราหมณ์ที่ไปทำนายพลักษณะออกไปได้4ี่คนห้ากับคนทัญยะจึงเป็นหัวหน้าตามออกไปพอพระพุทธเจ้าออกเสด็จที่เนศเตกลมได้ข่าวก็ไปปฏิบัติอุปัฏฐากในสมัยนั้นการปฏิบัติหรือการ ทำทุกข์กายกิริยาว่าเป็นทางที่จะตัดสรุความเชื่อมั่นของทามและพระองค์เองก็เชื่อมั่นอย่างนั้นที่มนลงทุนอดนอนผ่อนอาหารปฏิบัติทกกําทุกข์กายกิริยาทุกด้านจนเลือดเนื้อในภากายเหียดแห้งรู้สึก เห น, น, น, นื่อยเมืาา่อยหิีวจนดูผ้ากายของพระองค์ที่จะเส้นเอ็นกระดูกรสัง่งทั้งตัวจากรูปที่เขาเขียนไว้ในรูปธรรมรูปกายจิริยาที่พวกเราเคยเห็นในรูปต่างๆนีแต่เส้นเอ็นมุ่นกระดูกหนังหุ่นกระดูกส่ว น, นั้นมีท่านท้ามกันอย่างจริงจังจนตลบสลายจนจะตายไป แต่ไม่ได้ตัสรู้เมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าองค์มาพิจารณาถึงว่าถ้าจะบีบบังคับถาดขัน่ายเดียวถาดฉันมันกบพังแน่เมื่อถาดฉันพังถาดขันแตกสลายจะเอาอะไรเป็นเครื่องทําคุณความดีต่อไปพระองค์สร้างถอยถ้าทายอย่างนั้นทาง ขราที่ฐานจริงกล่าว่ะมีพ่ออินนำกินสามสายมาดีให้พระองค์ดูคือสายที่ตึงเกินไปพอดีมันก็ขาดเสียงก็ไม่มีสายก็ขาดไปดย่อนยานเกินไปเสียงก็ไม่มีไม่ดังให้แต่สายกลางพอดีพองาม อีต่็ไมขาเสียงกรอแพร่ะพระองค์ก็จับอันนั้นแหะมาพินิจพิจารณาหาเราจะทำทุกกับจิยาต่อไปเราก็เคยสลบสไลด์มาแล้วธรรมาวิเศษ ย, ยังไม่เกิดขึ้นในพระเัไทยของพระองค์การย่อนยานตามกิเลสตัณหาไม่ตั้งหน้าตั้งตางทำความดีเพียงพอเราก็เคยผ่านมาแล้วในสมัยเป็นพระละว่า ก็ไม่เห็นจิตใจวิเศษละทิเลสอะไรเราจะต้องทนุถนอมกายของเราไว้โดยการสเสวยอาหารเพื่อจะให้กายมีกำลังพอสมควรแล้วจะวศปฏิบัติได้สะดวกสบายเมื่อตัดศินพระไทยของพระองค์ อ, อย่างนั้น กังขบฉันอาหารพอขบฉันอาหารพวกปัญจวัคคีอิตถือลั่นในการทำทุกปัิริยาบโทษตูว่าทิธาถาภุมานทานอาหารสวยอาหารทำความ่าคความเพียนเป็นเม็ดเป็นหน่วยให้โดยถือว่าพระ อ, องค์ทายความเพียนเพียนมาถึงความมากมายอีก เมือเป็นเช่นนั้นไม่ยินดีเลยหนีจากพระองค์ไปอยู่บ่ายอิติปัตนะนิคาท า, ายาวรรไปตั้งจนตั้งตัวอยู่น้อนพระองค์ก็มีโอกาสเวลาที่จะได้รับจิขชอเกี่ยวข้องกับใครเพราะฉันจังหันไปร่างายมีกำลังพอสมควรก็โดยจัดสุขโดยการกำหนดที่นิพพาณาภายในจะบังคับแต่ ก, กาย ไม่บังคับใจมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้จะบังคับแก่ใจก็เหมือนกันต้องอาศัยทั้งกายทั้งใจจึงจะเป็นไปเกื่อบความดีเด่นได้ถ้าองค์เข้าใจเข้าพระทัยอย่างนั้นจึงยอมสันจังหันสวยอาหารแล้วก็พิจารณาด่านภายในกำหนดลมหายใจออกเขา้าจน จ, จิตสงบระงับ ลงรวมเป็นสานิกะอุปจาระอัปปนาจนเกิดยานความรู้ต่างๆขึ้นจนตัดทะูุได้อาศวรคยายานในวันวิาสาขบุญมามีคือเทนเยันหก <c oughs> จากนั้นมาถึงวันจะเข้าพรรษาอาสาลหาบูชาคือวันนี้ที่ท่านออกไปแน่สอนปัญจวัคคี พอเห็นว่าปัญจวัคคีย์นี้มีบารมีพอสมควรพอที่จะสะดับรับฟังธรรมะเข้าใจเล mm. เลยเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าพอไปถึงใหม่ๆปัญจวัคคีมองเห็นปรว่านูน่นธรรมนัโคโดมมาแล้วพวกเราอย่าไปยวของจนรับนะจะให้จัดสถานที่ไว้เพราะท่านเป็นศักดิ์ ถ้าปฏิบัติไม่ได้มรรคผลอะไรไม่มีอะไรดีเด่นภายในใจซึ่อออกไปเป็นพราว่าอำนาจที่เป็นกษัตริย์อาจจะเบียดเยียนพวกเราเราต้องฟูอาชนะให้ประทับแต่อย่าไปรับสิ่งของจากผักมีความแนะการสอนการให้คำมั่นสัญญากันพอเสด็จมาใกล้จริงจังก็ลืมทำมั่นสัญญารับสิ่งรับของพระ อ, องค์ คูณให้ประทับแต่อาตมกิริยาของปัญจวัคคีย์ยังกระด้างกระเดียงยังไม่เต็มใจที่จะรับฟังำคำคําสอนที่พระพุทธเจ้าจะสอนพระ อ, องค์ว่าเราตัดสู้แล้วฟังธรรมะเราจะสอนให้แต่ปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อไม่เลือกสแต่ด้วยอํานาจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคำสัตย์คําจริงแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใคยพูดหลอกแหลก เลี้ยวไหลพูดอะไรเป็นของจริงอย่างนั้นก็ทำให้ท่านมีพย า, ยานในตัวว่าแต่ก่อนที่เราทำความผ่าความเพียนพวกเธอทั้งหลายเคยปฏิบัติถูประหากเราทำความเพียนม า, มากๆจนสลบสลายพวกท่านเคยได้ยินไหมว่าเราได้ตัดสรู้เราเคยพูดกับพวกท่านไหมพวกนั้นก็เลยงงงนัน เพราะท่านไม่เคยพูดจริงจังเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ตัดรรมาจากประวัฒนสูตรแนวสอนปัญจวัคคีย์กล่าวถึงโทษที่บัญชิตไม่ควรเสกมักวัวเไม่ควรเสกอยู่สองอย่างตามหลักของธรมาจากหลักของบาลีไวยากรณ์ เดยศึกษาเราเรียนก็จะจำได้และความแปรพูดที่เคยเรียนบดีก็ค่อยจำได้จะพูดง่ายง่ายลูกคือการรัดการถั่งสองอย่างนี้แหละไม่ควรแก่บันทิตจะติดจะค้อกควรละควรถอนสองอย่างนี้ออกไปจากใจ หายใจเป็นกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่จเจรนาให้เห็นทุกเห็นเอตเกิดทุกเห็นความดับทุกและทางปฏิบัติถึงความดับทุกท่านเนธท่านสอนบันจวักีด้วยธรรมจักกับประวัตสนะสุพอสอนไปสอนไปยกเรื่อง ปัญจวัคคีระดับรับฟังขอเพิดเพลินในธรรมคันสอนของท่านเพราะแต่อยู่ด้วยกันไม่เคยสอนต่างท่านต่างคนมุ่งมั่นทาจิตใจเพื่อจะให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นแต่ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นอะไรทั้งที่ท้าทากุมารและปัญจวัคคีเพราะท่านได้ธรรมะจัตทรู้จักก็มีความรู้ อันประเสริฐยิ่เสดเพราะกิเลสไม่มีปิดบังหัวหุ้มพราไทยของพระ อ, องค์เหมือนก่อนผันแนสนสอนกอไพระกําหนดที่านี้พิจารณาตามทาคําสอนของท่านหัวหน้าปัญจวัคคีย์คือกนสัญญะกําหนดไปกําหนดมาก็เกิดปัญญาญาความรู้ ในใจิตในใจของตนอย่างกินจีสมุทธยธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมันติเป็นผู้รู้ผู้เห็นอาจรมชัดเจนขึ้นในใจความรู้ความเห็นของคนทันยะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือตกกระแสของธรรม เป็นภาิยบุคคลเบื้องต้นในศาสนาหมายถึงว่าท่านเห็นว่าริง่งใดริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามสิ่งทั้งพวงนันน้นนั้นนั้นจะต้องมีการเสือ่อนไปเป็นธรรมดาเหมือนสันนี่ความเห็นของคนทัญญะเห็นเพียงแค่นี้แหละต ก, กะแต่แฉถึงอาิยะบุคคล คือเป็นโสดาบันเข้าใจทำคำสั่งสอนชัดเจนในขณะนั้นแต่ความเป็นของข้าพนัญญาัะพวกเราธรรมดามันจิต แ, กแปกแตกต่างกันถึงจะทราบว่ามีการเกิดขึ้นมีการแตกสลายก็จริงแต่จิตนั้นอาจลุ่มหลงอาจเผลอเลออาจติดข้องไม่ไปจับชัดเจนไม่เห็น ไม่รู้หรือเห็นไม่รู้รู้ไม่เห็นนี่นี่ก่อนทัญยะท่นานเห็นท่านรู้ในขณะนั้นจิตใจทิกขณะไม่เหมือนจิตใจธรรมดาเค้าใจชัดเจนความเห็นในใจไม่เป็นความเห็นธรรมดายางทีที่ิจรณาเฉยเกิดยานความรู้เกิดวิชาคามรู้ ความถอใจว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องมีการแตกสลายไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะคงเส้นคงวางจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาร่วมไปหมดเมื่อความรู้ความเห็นชัดเจนเด่นชัดอย่างนั้นไม่ว่าท่านคนทัญยะหรือพวกเราหากเข้าใจจริงจังความยึดถือมั่นหมาย จะตกลงหายออกไปเพราะเข้าใจมันได้มาจะเป็นเรื่องของวัตถุก่อตามเมื่อมันมีเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของนมามธรรมคือเรื่องจิตของเราก่อตางถ้ามีเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีแด่ปวนแตกสลายเมื่อมันเป็นไฟตามความเห็นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้น มันก็ไม่มีการติดห้องหรือหลงไหลเพิดเพลินมัวเมาไปเพราะเข้าใจตามเป็นจริงของจริงมันเป็นอย่างนั้นจะไปขัดแย้งอย่างไรกันไม่มีการดีใจไม่มีการเสียใจเพราะสิ่งนั้นได้มาและสิ่งนั้นจิบหายไปเสียไปพอใจได้รู้ได้เห็นเข้าใจชัดเจนทุกอย่างรอบครอบทั่วโลก หากใคเห็นเป็นจริงจังในใจว่าสิงใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะต้องแปรปวนไปเป็นธรรมดาอย่างถึนใจจริงจังแล้วคนนั้นจะหมดปัญหาในการโศกเศร้าเสี ย, ยใจที่ไรลำพันในการเพิดเพลินลหลงไหลในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตหายไป นี่ถ้าัญญาคนรัญญาท่านพอใจท่านเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยรับรองวา่าคนรัญญารู้ธรรมเห็นธรรมได้ดวงตาในธรรมัญญาสิวะตโฟกวัญโยควรธัญญารู้แล้วเนาะทราบในพระทัยของพระองค์และวันนี้ เป็นวันท่านสแสดงทำมาจากเป็นวันคนญญทัญยะพิจะะารณาธรรมเป็นวันพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเบื้องต้นในศ า, า, าสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันจิตเสด็จดับขันไปนี้คนทัญญะรูปก่อนก้นอื่นแต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเกิดขึ้น ในวันวิสาขบาุญน่ามีคือท่านตัดสัรู้อุทธะได้เกิดขึ้นเต็มดวงธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นได้เกิดขึ้นในขณะที่ตัดสัรู้ธรรมมีสองอย่างเท่านั้นพระตายลัษน์ลัตน์รัตนรัตนะก็เลยยังไม่ครบคือมีแต่พระพุทธและพระธรรมมาถึงวันนี้ พระันาตนตรยทั้งสามครบยือพระสงค์เกิดขึ้นได้แก่โกนพัญยะทางคนนี้ได้รู้ได้เห็นได้เกิดได้เป็นในจิตของท่านรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นพระองค์ก็มีพยานหลักฐานว่าธรรมะที่เรารู้เราตัดสรู้ยังมีผู้รู้ผู้เห็นได้ด้วยกนพัญะ ก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่ารู้จริงเห็นจริงเป็นหลักฐานพยานขึ้นสังฆรัตนะที่เกิดขึ้นในวันนี้ถึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศ า, าสน า, าเพราะพระรัตนใจพบบอิลีบูน์นอกจากนั้นก็เป็นวันประชมมาเท็นา พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมบนต้นในวันนี้ฉะนั้นพวกเราท่านที่เลื่อมใสยินดีเต็มใจในทางศาสนาจึงร้อมหน้าร้อมตากันมาทาสัการะบูชาเยียนเยียนและทมวัดสวดมนต์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อความเยือกเย็นเป็นสิริมงคลแก่ตนของตน ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญบวันพระธรรมดาเป็นวันสําคัญทางพระพุท ธ, ธาาศาสนาพวกเราขอไม่เป็นโมพระบุคคลอูตาห์พยายามมาทําคุณงามความดีไม่เห็นแก่การหลับการนอนการเหน็ดการเหนื่อยการเหนื่อยการหิวถึงจะเนดเหนื่อยลําบากอยากเย็นอยู่ไกล ขนาดไหนกูอุตส่าห์มาระดับรับฟังทำความสอนของพระพุทธเจ้ามากราบมาไหวมาแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าผููให้ดําเนิดในทางธรรมะที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติกายวาจาท่องตนให้ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกันทําพิธีทางศาสนาจึงถือว่าเป็น สิริมงคลประจําตนอันหนึ่งพอวันเช่นนี้ในปีหนึ่งหื่งึงจะมีวันหนึ่งเท่านั้นไม่ใจมีทุกวันทุกเวลาไปจึงควรปลิ่มใจดีใจในชีวิตของตนที่ผ่านพ้นอุปสรรอันตรายมาเพราะชีวิตของมนุษย์เรามันมีอันตรายมากถ้าหากป่วยไข้มันก็มาไม่ได้หรือเจ็บตายมันก็ หายไปไม่ได้ทำอะไรคุณงามความดีต่างเพราะทุกวันทุกคืนทุกนาทีชั่วโมงมันตายได้คนเราชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ามันก่อตายมันสั้นๆเพียงแค่นั้นะ๋รเราโชคดีที่มีโอกาสปลอใครใกข้เก็บด้วยความ รวยนักนึืความตายยังไม่มาถึงในมาก่อร่างสร้างคุณงามความดีมีการกราบการบ้า้การละเลิกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญศีลทานภาวนาต่างๆต่างความสามารถของตนเรื่องเหล่านี้แหละจะเป็นบุญเป็นขู่สนทำจิตทำใจของตนให้ <c oughs> เบาให้สบายให้เยือกเย็น เราลึกนึกิดการใดเวลาใดอำ น, นาจที่เราทำความดีรวยายวาจาจใจจะทำตัวของตัวให้เหลื่อมใส ท, ทำตัวของตัวให้เย็นให้สบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนฉะนั้นการทำบุญทำกุศลการสร้างคุณงามความดีจึงจำเป็นของทุกคนจะต้องแต่ทำบา เ, เพ็ญพระ ชีวิตของเราเกิดมาถ้าหากว่าไม่มีทานศีลภาวนาไม่มีการละชั่วบำเพ็ญดีอะไรเกิดมาแล้วก็มีแต่กินแต่ขี้ไม่มีหน้าที่จะทำความดีชีวิตนั้นจะเป็นหมันเหมือนกันกับชีวิตของสัตว์ไม่ปฏิบัติตัวให้ดีวิเศษอะไรวันคืนเรืมกิน ชีวิตเลื่อยไฟผลที่สุดตายตาย็ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าสารประโยชน์แก่ตนแต่นั้นทุกคนที่ไม่มีความประมาจึงเรียบเร่งขวัขวายทำคุณงามความดีใส่ตนเป็นตนวะทางศีลภาวนาต่างๆเพื่อจะเป็นทางนำความสุขมาให้ในปัจจุบันและชาติหน้าเพราะอำนาจตามดีที่เราสะสมมา จะติดตนตามสุดตัวเลื่อยไปจนกระทั่งถึงนที่สุดวิมุตตินิพพานเมือ่อใดตอนนั้นแหละกรามดีและชั่วจะไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนั้นจะไม่มีสิ่งใดไปทํา ค, ความบริสุทธิ์ให้เสียไปความเสือ่อมความเจริญท้องใจความเสื่อมความเจริญของบอริสุทธิ์ไม่มีท่าเชื่อเรียกว่าบริสุทธิ์เรียกว่าวิมุติ ไม่มีที่เลตันหาไม่มีกรรมอะไรที่จะไปก่อเกี่ยวเข้าถึงได้นั่นมันเป็นที่สุดด้วยอำนาจความดีสนับสนุนโสงเสียให้จนใจเป็นมีมดุดแต่ยังไม่ถึงที่สุดอย่างนั้นจะต้องอาศัยความดีคือทานศีลภาวนาเรื่อยไปตายเมื่อไรตามใดเวลาใดด้วยอานาจ คุณงามความดีที่สร้างเอาไว้ติดข้องอยู่ในใจจะนำพาพวกเราไปสู่สุขสัติคือความสุขความเจริญต่อไปคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีอะไรตายไปจะเศร้าโศกเสียใจตายไปจะต้องง้อยเงาเจ้าจุกทุกร้อนดังนั้นจึงควรเนี่ยสอนตัวฟ้องตัวให้สร้างความดีละชั่วจึงจะถูก ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มนุษย์เราจิตแตกแตกต่างกับสัตว์สามารถที่จปะปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ดีวิเศษไ ด, ด้ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรที่จะประมาทชีวิตของตนอุตสาหพยายามสร้างอุศสนเือคุณงามความดีเอาไว้ ใจจะมีความสว่างสวยใจจะมีความเยอเือกเยน็นผู้ที่มีบุญมีกุศลภายในตนของตนก็เหมือนกันกับคนที่มีทรัพย์จะไปสถานที่ใดเมือ่อทรัพย์มีอยู่ในกระเป๋าข้องตัวผิดตัวไปก็ไม่คิดยากลำบากว่าจะอดอยากขาดแคลนเพราะเหตุใดเพราะทรัพย์เรามีพื้ออยู่ซื้อจินได้จะไปทักกอนหลับนอนที่ไหน ก็สะดวกสบายเพราะโรงแรมมีให้อาศัยฉันใดคนที่มีบุญมีขูศสนในใจก็ทำนองเดียวกันจากมนุษย์ไปตายไปพูด ง, งา่ายง่ายก็จะต้องดีใจเพราะบุญขู่สนสั่งไว้จะนำพางให้ไปสู่สุขสิทิ์ไปเกิดสถานที่ดีๆสะดวกสบายเหมือนกันกับคนที่ไฟไหม้บ้านไหม่ ส่องของตัวแต่สมบัติเขาของที่มีค่าเก็บออกหนีเหลือแต่สิ่งที่เป็นเชื้อของไฟคือบ้านแ่านั้นตีไฟไหมแต่เข้าของที่มีค่าเราเก็บออกไปพอไฟแล้วพอไฟไหมบ้านของเราพังลงไปเราสร้างเอาใหม่ได้เพราะเรามีสมบัติฉันใดคนที่มีบุญกุศลในใจก็ทำนองนั้น และยังดีใจยิ้ อ, อีกหากมีกุศลผลบุญเต็มที่เรื่องของกายมันเกิดมาก็มีการแลรปวนและแตกสลายทั้งๆัที่เรารู้เราเห็นอยู่และเราไม่รู้ไม่เห็นในอดีต ท, ที่ผ่านมากีกับกีกันกีพันกีแสนปีกว่ตาต่างมันก็เป็นอย่างนี้ข้างหน้ากว่าจะเป็นทานองเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเป็นตแต่เราอยู่ปัจจุบันเห่านั้นความเปิดมาจะต้องมีแปรปวนและแตกสลายอย่างนี้ไม่มีใครที่จะต้านทานไดน้แต่ถึงแตกสลายก่อตามคุณงามความดีที่เราไม่ประมาทเกิดมาทั้งชาติได้ประพฤติปฏิบัติสั่งบุญสร้างผู้สนเมื่อมันแตกสลายอาศัยไม่ได้เราจะไปเกาะที่ใหม่พบใหม่อย่างสุข สบายใจเราคิดได้อย่างนั้นเราก็ไม่หวั่นไหวและไม่เสียดายในการตายของเรานี่หมายถึงผู้ที่มีบุญมีผู้สภายในตนของสนเป็นอย่างนั้นท่านไม่หวั่นไหวในการตายของท่านยิ่งผู้ดี่หมดจดปฏิบัติจิตใจพอแล้วในธรรมทุกสิ่งทุกส่วน ขันจึงบริสุทธิ์ขวดผ่องอยู่ทุกตาทุกเวลาไม่มีกิเลสตัญหาจะมาลบปวนอยู่ในชาติมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เป็นทุกข์เพราะขันบีบบังคับลําบากยากเยน็นเพราะปฏิบัติตามเรื่องของโลกส ม, มุติเขาเป็นอย่างไรไม่ปฏิบัติตามเขาเขาก็จะเป็นทุก ข, ข์เป็นโทษเกิดโลกะวัชะต่างๆนาๆนาฉะนั้นขันอยู่ในโลก จึงเป็นการอยู่ยากอยู่ลำบากเหมือนอยู่ในเกื่อนในน้ำเสียบแทงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายได้ยากหากขันยังอยู่เมื่อขันแตกสลายไปทันบริสุทธิ์อย่างไรขันกบริสุทธิ์อย่างไม่มีอะไรความทุกข์ที่จะเขอาไปเกาดเกี่ยวพัวพันนี่เรียก ตามภาษาทางศาสนาตามภาษาของธรรมะว่านิพพานมีสองอย่างคือนิพพานกิเลสหมายถึงกิเลสมีอยู่ในใจนั้นได้ปะเพื่อปฏิบัติให้หมดไปสิ้นไปดับไปแต่ภาพขันธ์ของขันธ์ยังอยู่นิพพานอีกอย่างคือนิพพานดับภาพขัน ท, ท์ถ้ากิเลสก็ดับไปด้วยนั่นเป็นนิพพาน ที่ไม่มีธาตุขันเป็นนิพพานที่บริสุทธิ์เป็นนิพพ า, านที่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ของธาตของขันเข้าไปเกืออ้อปนขันจึงอยู่สะดวกอยู่สบายขบูตึงอยู่พูดถึงไปต่อไปสะดวกสบายแต่สมมุติทุกอย่างไม่สามารถอาจถึงความบริสุทธิ์นั้นได้นอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เข้าใจแล้ว ทมสมมุติเป็นสมมุติทำบริสุทธิ์เป็นเรื่องบริสุทธิ์จากเข้าใจในตัวของตัวเองเมื่อประปฏิบัติเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นดินฟ้าอ า, ากาศหรือที่ใดอยู่ในใจของพวกเราท่านหากพวกเราท่านหมั่นอบรมศึกษาหมั่นภาวนาํราระกิเลสจะรู้ใจเห็นจะเป็นทุกข์ทุกข์คน ไม่มีการสงสัยเพราะทำเป็นสัดจัดตังรู้ได้เข้าใจเองไม่ต้องไปสอบถามจากคนท่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นวันสำคัญวันนี้พวกเราทุกคนก็ไม่ประมาทอุตสาห์พยายามมาทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนแต่นั้นจึงหรือว่าวันนี้เป็นสิริมงคล เป็นบุญเป็นกุศลในตนข้องตนที่ไดชะสมอบรมมาจืงควรปลื้มจิตปลื่มใจในความดีข้องตนที่ไดชะทำบำเพ็ญมาตานอธิบายธรรมะมเห็นว่าพาอสมควรเสียวเวลัเพราะเพียงยืดิเพียงแก่นี้เยาวัน